นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมบูติสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมบติสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมบูติสะ พุทธังสรนังคชามิพุทธังสรนังคชามิธัมมังสรนังคชามิ ธรรมังสรนางคชามีส <ES> ังขังสรนางคชามีส <issant> ังขังสรนางคชามีทุติยามปิพุทธังสรนางคชามีทุติยามปิพุทธังสรนางคชามีทุติยามปิธรรมังสรนางคชามีทุติยามปิธรรมังสรนางคชามี ทุติยมปิสังขังสระังคจามีตยมปีสังขังสรนงขจามีตติยมปีพุทธังสรนังคจามีติยมปพุทธังสระนังขจามี ตติยมปิธรรมังสารนังขจามิตาติยมปิธรรมังสรนังขจามิตติยมปิสังขังสารนังขจามิตาติยมปิสังขังสรนังขจามิปานาติปาตานเวรมณีสิกขาปทถังสมาทิามิ ปาณาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธียามิอธินาธานาเวระมณีสิกขาปัทถังสมาทียามิอธินาธานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธียามิ กามิสุมิชฌาจารเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกามิสุมิชฌาจารเวระมณีสิกขาปะทถังสมาธิยามีมุสาวาทัเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ มูซาวาธาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัทธังสมาธิยามีสุราเมระยามัชฌะปมาทฐานา เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัฏานิสีเลนะสุขติงยันตีสีเลนะโภคสัมปทานสีเลนะนิพุติันตีตัดสมาสิรังวิโสทะเย